ปกติถ้าจะว่าเป็นร้านเนี่ยวันแม่ของเราแต่ละคนเนี่ยไม่น่าจะเป็นวันนี้นะแต่คือวันที่เราเกิดมาวันเกิดของเราเนี่ยคือวันแม่สาหรับเราเพราะว่าเป็นวันที่เราได้เห็นหน้าแม่เป็นครั้งแรกเป็นวันที่เราได้ร้องเรียกหาแม่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันที่แม่ได้ทนเจ็บทนปวดนะก็เพื่อเรา แต่ว่าสำหรับวันที่เป็นที่ระลึกร่วมกันนะวันนี้แหล ะ, ะคือวันแม่วันแม่นี่มีประโยชน์ยังไงนะก็เพื่อเตือนให้เราไม่เพียงแต่เราลึกถึงบุญคุณความเสสละความเหนื่อยยากของแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามาเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่เชิญชวนให้เราเระลึกถึงความดีของท่านด้วยการระลึกถึงความดีของท่านเนี่ยมันทำให้เราเกิดความตั้งมั่น ในธรรมะโดยเพราะในเวลาที่เราถลางเข้าไปในความเสือ่อมหรือเวลาเราคิดอยากจะทำชั่วขึ้นมาเนี่ยหากว่าได้คิดถึงความดีของแม่มันก็จะกระตุ้นความดีในใจของเราให้มีพลังจนสามารถเอาชนะความไฟต่ำได้หรือว่าเกิดความพืดสู้ขึ้นมาที่จะไม่ยอมอยู่ในอนนานาจของกินเลสเอาความดีของแม่นี่จะว่าไปก็คือ สิ่งที่สามารถจะฉุดเราให้ออกมาจากวิธีทางด้านความเสือ่อมได้นึกถึงความดีนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ยังไม่ยังไม่พอนะต้องนึกถึงความดีของท่านด้วยไม่ใช่เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านเท่า น, นั้นแต่เพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทําความดีนําพาชีวิตไปสู่ความเจริญความหาสุดการมีคุณธรรม ซึ่งก็ย่อทมทําให้ท่านมีความภาคภูมิใจถึงเวลาที่ท่านต้องจากโลกนี้ไปท่านก็จะได้ตายตายลับไม่ต้องห่วงผวางถึงเราไม่ต้องห่วงผวงว่าลูกนี้จะจะเป็นอย่างไรจะไปทําชั่วหรือเปล่าคนเรานี่ถ้าคิดถึงความดีของท่านหรือความสอนสอนของท่านแม่พิมพเล็กน้อยนี่มันสามารถจะช่วยเราได้นะแมกระทั่งช่วยชีวิตนะมีศิล ป, ปินคนหนึ่งเขามีความทุกข์มากตอนนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ปี40 เ, เรียว่าเขาศูญมาทุกอย่างเลยคงมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยและเขาก็เครียดกับชีวิตมากเขาก็คิดกุ้นกังวลกับปัญหาชีวิตที่มันถาโถมเข้ามาตลอดคืนเลยจนกระทั่งเขาพอเช้าตรู่เนี่ยเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากตึกเขาก็ออกไปที่ระเบียงแล้วก็เตรียมกระโดดลงมาจากระเบียงแต่พอมองลงไปข้างล่างมันเเห็นรถ เห็นคนขี่จะตรยานอยู่สองคนกำลังคุยกันเขาได้นินถึงคำสอนของแม่ว่าเวลาทจะทำอะไรเนี่ยอย่าให้คนนึ่งเดือดร้อนเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาโดดลงไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เขาตายคนเดียวคนหนึ่งเาอาจจะพลอยตายไปด้วยจะฆ่าตัวตายทั้งทีอย่าให้คนนึ่นเดือดร้อนดีกว่าอันนี้คำสอนของแม่มันทำให้เขาได้ฉุกคิดเขาก็เลยขยับเพื่อที่จะย้ายย้ายที่กระโดด คนนั่นเองเขาชมเรือมองเหลือมองเห็นแสงอาทิตย์แสงเงินแสงทองกําลังสว่างที่ปลายขอบฟ้าตึกสูงเนี่ยตึกสูงก็เห็นแสงเงินแสงทองเห็นอาทิตย์กําลังขึ้นพอเห็นแสงเงิแสงทองนี่ ใ, ใจก็สว่างเลยนะเกิดมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเขาได้แง่เขาได้ฉุดคิดว่าคนเรานี่มันไม่มืดตลอดหรอกมันก็ต้องมีวันสว่างบ้างเขาก็เลยได้สติขึ้นมา ไม่ฆ่าตัวตายแล้วเขาก็มาระลึกว่าโอเคเขารอดตายได้ก็เพราะคำสอนของแม่สั้นๆง่ายๆว่าทํำอะไรอย่าจะให้ดวงวิญญเดือดร้อนแล้วก็ต่อหลังเขาก็กลับมาสู้กับชีวิตใหม่สู้กับปัญหาใหม่สุดท้ายเขาก็สามารถจะแก้ปัญหาศาสตร์สารอุปสรรคทั้งหลายได้เนี่ยเขาเกิจดจากทีสั้นฆ่าตัวตายแล้วนะแต่ว่าคําสั่ของม่นี่ช่วยเขาไว้เราพวกเราอาจจะไม่ถึงกับ ก็จะคิดสั้นขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลาเราจะรังคว้าทำอะไรในสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นทางเสื่อมนะลองคิดถึงความดีของแม่หรือว่าความอดทนความขยันหมั่นเพียรความมุสาหะของท่านก็ทําให้เราเนี่ยเกิดึดสู้ขึ้นมาไม่ยอมท้อถอยและการตอบแทนบุญคุณของแม่นี่นะก็เป็นสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่ง รพระพุทธเจ้าตัดว่าบุคคลที่หาได้ยากมี2ประเภทอันที่1คือบุ ป, ปการีคือผู้ที่ได้ทำบุญคุณไว้ก่อนอันที่สองคือผู้ที่มีความกระตันอยู่แอนใครที่ตอบแทนบุญคุณของแม่เลี้ยงดูแม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นผู้ที่หาได้ยากแล้วก็ขอให้มีความมั่นคงในความดีที่ตัวเองได้ทําซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย หลายคนจะพบว่าตัวเองเนี่ยดูแลแม่คนเดียวพี่น้องไม่ดูแลเลยมีพี่น้องห้ากว่คนที่น้องก็ไม่สนใจดูแลไอ้เรานี่ดูแลแม่นี่ลำบากเหลือเกินนะแม่อัมาพาตแม่เป็นอัลไซเมอร์บางคนนี่ถึงกํลาลังงานมาเพื่อมาดูแลแม่ทั้งวันแล้วก็มีความทุกข์ใจทุกกายเหลือมองไปเห็นพี่น้องนี่เขาอยู่สุขสบายเพราะาเขาไม่ได้ดูแลแม่ก็มีหลายคนตั้งคําถามว่าทําไมเขาต้องมาลําบากด้วย ทำไมทำดีไม่ได้ดีให้คนไม่ทำดีคนที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปทำไมมันกลับสบายเกิดความคลังแทงใจสั่นคลอนในความดีก็มีหลายคนมาปรึกษาอาตมาอย่างนี้นะอาตมาก็แนะนําไปก็บอกเข้าไปว่าตอนนี้เขาสบายก็จริงนะแต่ว่าวันหน้าก็จะลําบากเพราะว่าการที่เขาลาทิ้งพ่อแม่เนี่ยมันก็คือการสร้างวิบากกรรมซึ่งจะส่งผลในวันข้างหน้ากรรมดีเนี่ยมันไม่ได้ดูสั้นๆ เฉพาะวันนี้มันต้องดูไปข้างหน้าเหมือนกับเด็กที่ตั้งใจเรียนนะเด็กที่ขยันเรียนนะเขาย่อมมีความทุกข์นะเพราะว่ามันลำบากต้องตื่นแต่เชา้าต้องอดตาลับตาตนอนอ่านหนังสือต้องทำการบ้านไปโรงเรียนบางีก็ถูกครูทำโทษเด็กที่เรียนหนังสืออย่างข่าเพียรพยายามเนี่ยไม่มีใครสบายนะตรงข้ามมาเด็กที่ขี้เกียจไม่ขยันเรียนเนี่ยเขาสบายนะ สบายเขาได้เล่นวิดีโอเกมเขาได้เที่ยวได้สนุกกับเพื่อนไอ้คนที่ขยันเรียนเนี่ยลำบากเหนื่อยยากถ้าเราจะบอกเด็กเหล่านี้ว่าถ้าเด็กเหล่านี้คิดว่าโอ้เหนื่อยทำไมฉันทําความดีถึงเหนื่อยถึงลําบากแบบนี้เราก็บอกว่าเด็กคนนี้คิดไม่ถูกเพราะว่าการที่เขายอมเหนื่อยวันนี้จะทําให้วันหน้าเขาสบายเพื่อเขามีวิชาความรู้ เขาก็จะมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นมีความสําเร็จในการงานมากขึ้นไอ้คนที่สบายวันนี้เด็กที่สบายวันนี้เพราะขี้เกียจไม่นสนใจเรียนเนี่ยเห็นนอนาคต ก, ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาลําบากนะความลําบากภาพทุกขร อ, อเขาคนข้างหน้าอยู่นะชั้นไหนก็ชั้นนั้นนะคนที่กตันอยู่ดูแลพ่อแม่นะวันนี้ลําบากก็จริงนะแต่ว่าอย่าหวันว่นไหวอย่าไปมองคนที่เขาไม่ดูแลนิ่งดูไายพ่อแม่แล้วเขาสบายนะเพราะว่าความลําบากกำลังร อ, อเขาอยู่ ควาทุกข์กลังรอเขาอยู่ส่วนเราที่ดูแลพ่อแม่วันนี้ลําบากนะแต่วันหน้าก็จะสบายนะบุญกุศลที่เราได้ทําก็จะส่งผลให้เราได้ประสบความสุขความเจริญถึงเวลาเราแก่นะก็จะมีคนดูแลคนที่สบายวันนี้นะแม้เขาจะมีเงินทองมากมายแต่เขาไม่ดูแลพ่อแม่วันหน้านี่ถึงเวลาเขาลาบากเจ็บป่วยนี่ก็น่าสงสัยว่าใครจ ะ, จะมีใครดูแลเขาเงินทองดีก็ช่วยไม่ได้และจะหวังใครให้มาช่วยในเะมื่อ พ่อแม่เขาเขยังไม่ช่วยเลยงัย้นเราลองมองกว้างๆแบบนี้นะนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กต้องขยันเรียนหนังสือลำบากวันนี้เพื่อจะสบายวันหน้าฉันได้ก็ฉันนั้นการที่เราทําความดีแล้วเราลำบากไม่ได้แปลว่าความดีไม่ส่งผลนะรอส่งผลในวันข้างหน้าในด้านนึ่งวันแม่ก็ไม่ใช่เตือนใจผู้ที่เป็นลูกนะแต่เตือนใจผู้ที่เป็นแม่ด้วยว่าให้เราลึกถึงหน้าที่ของแม่หน้าที่ของแม่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ เลี้ยงดูร่างกายของลูกให้อยู่รอดปลอดภัยนะแต่ว่าต้องให้ความอบอุ่นใจกับลูกด้วยสิ่งที่แม่สิ่งที่รู้ต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่โทรศัพท์นะไม่ใช่รถยนต์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายแต่สิ่งที่รู้ต้องการคือความใส่ใจและความลกแลกว้วก็ที่สาำคัญคือการเปิดใจฟังด้วยมีแม่คนนึงในแก่เป็นคนที่ทํางานนะทํางานเยอะมาก เป็นคนเก่งผู้หญิงเก่งมีมีวันๆก็ออกแต่ทางานเวลาเวลาเลี้ยงดูลูกก็ใช้คําสั่งกับลูกลูกทําลูกซนก็สั่งลูกนะไม่ให้ส่งเสียงดังสั่งล้กให้ทำการบ้านใช้เวลาใช้การสั่งลูกลูกพี่น้องทะเลาะกันแกก็สั่งให้หยุดใช้เสียงดังเข้าขมแล้ววันหนึ่งแกก็ดีลูกพูดว่าเนี่ยลูกอายุ3ากส่ขวบนะสี่ห้าขวบบอกว่าสวยจังเลยนะ มาเป็นรูปแม่วันนั้นเป็นวันที่แกเนี่ยได้คิดขึ้นมาเลยว่าเราพยายามทําเพื่อลูกทําไมลูกพูดกับเราอย่างนี้ไม่โกรธลูกนะทีแรกก็โกรธลูกแต่ต่อหลังมานั่งคิดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวนะสิ่งนี้ที่เขาพยายามทําคือพยายามใช้เหตุผลกับลูกคุยกับลูกดีๆซึ่งกหมายถึงการฟังลูกมากขึ้นมีเวลาอยู่กับลูกแทนที่จะเอาแต่ทํางานลูกมีปัญหาแกก็นั่งฟังลูกพูด ลูกไม่อยากไปโรงเรียนแทนที่จะสั่งลูกว่าไปโรงเรียนนะแกก็มาคุยกับลูกว่าทำไมลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วลูกก็รายฟังว่าถูกเพื่อนแกล้ครูก็ไม่ดีแม่ไม่เคยรู้เลยแกก็เล่านั้นเล่าเล่าตอนไปโรงเรียนนี่แหละเล่ายาวเลยเด็กนะนะจนกระทั่งลูกแม่นี่ยอมที่จะไม่พาลูกเข้าโรงเรียนเพื่อจะนั่งเพื่อจะหยุดรถบฟังลูกพูดลูกก็ระบายถึงความทุกข์ที่โรงเรียนถูกแกล้ยังไงบ้างถูกครู ไม่เข้าใจยังไงบ้างตีไงบ้างลูกก็เล่าให้ฟังาบางวันนี่อ้วกเลยนะแค่จะแค่จะไปถึงโรงเรียนนี่ก็อ้วกเลยไม่อยากไปโรงเรียนแม่ก็ฟังฟังลูกก็เล่าลูกก็ระบายเสร็จแล้วลูกก็พูดกับแม่ว่าแม่ก็ถามว่าทำไมลูกไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยลูกก็บอกว่าเขาลูกก็พ่อแม่ยังไม่เคยมีเวลาให้กับลูกเลยแต่วันนู้นลูกมีความสุขมากที่แม่ มีเวลากับลูกลูกภูมิใจมากที่เป็นลูกของแม่โอ้แม่นี่มีความปราบปื้มมากเลยนะอันเนี้ยวันแม่นี่มันเป็นวันที่เตือนใจให้เราระลึกว่าดูแลลูกทางกายไม่พอต้องดูแลทางใจความรักความใส่ใจมันแสดองออกด้วยการมีเวลาให้รลดทั้งการเปิดใจฟังด้วยอย่าคิดว่าเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเรารู้ทุกอย่าง ลูกแม่ถัาจะอาปากเราก็ตัดสรูปหมดว่าลูกมีปัญหาอะไรอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาความเผินห่างระหว่างแม่กับลูกซึ่งทําให้ลูกหลายคนบอกว่าซวยจังเลยนะไม่น่ามาเกิดเป็นแเป็นลูกของแม่ย้ายเป็นอย่างนั้นถ้าเรา ม, มันจะไม่เกิด อ, อย่างนั้นขึ้นถ้าเรามีเวลาใส่ใจฟังลูกแล้วก็เตรียมรับพร